อาจารย์ครับกาญรวัศการครับผมเจริญพรคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับรอาจารย์ครับพระอาจารย์วันนี้คนไปใส่บาตรเดียวนะครับผม476อ๋อก็เป็นปกติอของวันนี้วันที่คนทางบ้านฝากใส่ประมาณ200 600, 600กว่าคน300กว่า <900 S 1> ค, คนอม อาจารย์ครับวันนี้จัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแต่เนื่องจากว่ามีคนมาฟังเป็นคนใหม่มเยอะเลยครับอาจ า, ารย์ก็เลยจะขอจากอาจารายาร์าวาดแผนที่เพื่อที่จะไปให้ถึงธรรมะที่เราหมดความทุกข์ด้วยกันกับอาจารย์ครับข อ, อกอครับเป้าหมายรู้สึกจะมีเสียงฟีดแบ็กกลับมาเป็นหมอไหมครับเปิเครื่องอะไรไว้หรือเปล่า โอเคไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีแล้วเอามาอีกหน่อยมาเป็นพักๆันึ่แต่ไม่ทราบเป็นอะไรวะมีเ น, นี่ยน่า จ, จะเป็นอันนี้คุณมาไม่อยู่ที่บ้านนะไม่ได้อยู่ครั บ, รบจ้างครับแต่คุณหมอเพิ่งได้ยินชัดเจนในชะ่ไได้ยินชัดเจนเลยครั บ, รบจ้างครับ รายเราเราพูดมันจะมีเสียงก็ตือนเตเตืนขึ้นมาทางนี้ไม่มีนะครับอาจารย์ครับไม่มีเลยเถ้าไม่มีก็ไม่เป็นเลยก็เป้าหมายของผู้ศึาศาสนาก็เป็นเหมือนกับเป้าหมายของสถาบันการศึกษาต่างๆก็คือ ป, ปริญญาระดับต่างๆปริญญาตรีโทเอกสถาบันการศึกษานี้เขาก็มีเป้าหมายให้ผู้ที่มาศึกษา ได้สำเร็จปริญญาให้รับปริญญากันทันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านคิตศาสตร์ก็เป้าหมายของพระพุทธศาสนาก็มีสี่ระดับที่เรียกว่ามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง ก็เป็นสี่ระดับด้วยกันถ้าเป็นบาริญญาก็มีสี่ระดับระดับแรกเราเรียกว่าโสดาบนระดับที่สองเราเรียกว่าสกิณาคามีความมีระดับที่สองนี้อาจจะครวมไปกับระดับที่สามก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้สําเร็จแบบสมบูรณ์ครึ่งหนึ่งระดับที่สองนี้สําเร็จได้ครึ่งหนึ่งจะสําสเร็จสมบูรณ์ก็ระดับที่ที่สามคืออนาคามี ันะดับที่สี่ก็คืออรหัตอรหันต์ก็แบ่งเป็นสี่คู่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งผู้ที่จะได้ผู้ที่จะได้ <c oughs> ได น, นิพพานคือรางวัลสูงสุดก็คือต้องจบปริญญาขั้นสูงสุดถึงจะได้คือขั้นป้าอรหันต์ขั้นอื่นนี้ยังไม่ได้นิพพานเพราะจิตยังไม่หลุดพน100้นร้อยเปอร์ซ็น ยังมีกิเลสอาสาวะข้างๆอยู่ในจิตที่ยังไม่ได้ชำระให้หมดสิ้นไปจิตจึงไม่บริสุทธิ์ร้อยร้อยเปอร์นตเมื่อยังจิตไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนก็เป็นนิพพานไม่ได้อแต่พอได้เป็นพ ร, ระอรหันต์ปั๊บบราารลุอรหัตผลปั๊บจิตก็จิ ต, ก, จตก็สะอาดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนตก็เป็นนิพพานขึ้นมาทันทีอื ที่การที่จะบรรลุมันนี่ก็ต้องเจริญมากมากนี่ก็เป็นการศึกษาการทำการบ้านและการทำข้อสอบเห <c oughs> มือนกับที่เราเรียนในมาหลาลัยเราก็ต้องเรียนหนังสือเข้าห้องเรียนเรียนจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปทำการบ้านแล้วก็ทำข้อสอบพอทำข้อสอบได้ ก็ได้ผลปริญญาใจปริญญาโทรปริญญาเอกทางศาสนาก็ก็ได้ผลก็คือโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและอารหันดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะเริ่ก็ต้องเริ่มต้นที่มรรคคุณหมอได้ยินเสียงรบกวนไหมต้องเริ่มต้นที่มรรค อาจารย์พอดีผมลองเอาตัวเองออกลองปิดเสียงตัวเองก็ก็ก็ไม่หายครับอาจารย์แต่ว่ามันเสียงฟังได้นะครับอาจารย์แต่มันปลายเสียงอาจารย์จะมีเสียงเวลาคุณหมอพูดไมนไม่ไ ม, มีแต่ว่าเรามพูดมีไม่ทราบว่ามันเป็นของเราหรือเปล่าไมนะ่ทราบเดี๋ยวผมลองเอาอฟังไ ด, ไฟงไ ด, ด้ฟังได้ครับอาจารย์ครับฟังได้ครับหรือเวลาเราพูดคุณหมอเอาภาพเราขึ้นภาพโยนดูก็ได้ จากนั้นการที่จะบรรลุผลของการปฏิบัติก็ต้องมีมรรคต้องป ฏ, ปฏิบัติที่มรรคมัรก็มีสี่ระดับโสดาปฏิมรรคโสดาอ่ะสกีดาคามีมรรคอนาคามรรคและอาราัตตมรรคซึ่งมรรคนี้องค์ประกอบก็มีอยู่สามส่วนด้วยกันคือทานศีลภาวนานะ มุนททานรักษาศีลแล้วก็บำเพญจิตภาวนาซึ่งมีแบ่งไว้เป็นสองระดับระดับสมาถะภาวนาและวิปัสนาภาวนา <c oughs> สำหรับของแต่ละขั้นนี้จะเหมือนกันตรงที่ระดับทานกับศีลคือผู้ที่จะละสมาธิคือสมาถะภาวนาอันนี้จะเหมือนกันทุกระดับจะต้องมี <c oughs> ทานมีศีลมีภาวนาเต็มร้อยแล้วก็ส่วนวิปัสสนานี้ของแต่ละขั้นจะเป็นข้อสอบ ท, ที่ต่างกันไปคือสังโยชน์ที่จะต้องชต้องกาจัดนี้มันไม่เหมือนกันและปัญญาที่จะใช้ในการกาจัดสังโยชน์แต่ละข้อนี้ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้คือความต่างของของมักของแต่ละระดับต่างกันตรงที่ปัญญา รืววิปัสสนาแต่เหมือนกันที่ทานศีลและก็สมถะภ า, าวนาคือทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่ระดับวิปัสสนาได้นีต้องผ่านการทำบุญทำทาน <c oughs> การรักษาศีลและก็การบําเพ็ญจิตสมถะภ า, าวนา <c oughs> ทำจิตใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิ <c oughs> เพื่อให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา พรถ้าจิตไม่มีอุเบกขานี้จิตจะไม่มีพลังที่จะสู้กับกับสังโยชน์จะไม่มีกําลังที่จะละสังโยชน์ได้ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นมรรคของทุกระดับนี้จะมีเหมือนกันอยู่สามสามสามขั้นก็คือฐานศีลและสมถะภาวนาแต่ส่วนวิปัสสนาภาวนาของแต่ละขั้นนี้จะต่างกันเพราะว่าข้อสอบที่จะต้องทํำมันไม่เหมือนกัน ข้อสอบของพระโสดามันจะบรรลุเป็นพระโสดามันได้ตรงละสังโยสสามข้อแรกก็คื อ, <c oughs> อจักยัยทิฐิคือการเห็นว่าขันหา น, นี้มีตัวมีตนอันนี้เป็นความเข็นที่ผิดแล้วก็มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาแล้วก็สีลับพระตปรมา คือการลูกคำในเรื่องของศีลว่าจําเป็นจะต้องรักษาหรือไม่ศีลมีความสาคัญอย่างไร <c oughs> อันนี้เป็นสามข้อที่พระผู้ที่ต้องการจะบรรลุเป็นพระสุตดานจะต้อง <c oughs> ละสังโยชน์เหล่านี้ได้และการละสังโยชน์เหล่านี้แล้วก็มุ่งไปที่ที่ข้อสอบอันเดียวก็คือการละสักยทิฏฐิด้วยการพิจารณาขันห้า ชีวิตของเราออนี้ประกอบด้วยขันห้ามีรูปก็คือร่างกายเวตนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณคือการการเชื่อมต่อระหว่างจิตกับร่างกายจิตนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ใช้กระแสของวิญญาณมาเชื่อมต่อที่ตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อรับรูปสิยงกิ่นรถจากทางร่างกาย <c oughs> เราก็สั่งการให้ร่างกายทำอะไรตามความอยากของของของใจถ้าเห็นรูปที่รักที่ชอบก็สั่งให้ร่างกายไปหามาไปเอามาถ้าเจอรูปที่ไม่ชอบก็สก็สั่งให้ร่างกายอา่ให้ให้ทิ้งรูปนั้นไปอย่าไปสนใจอย่าไปเอามา <c oughs> นี่คือการทำงานระหว่างร่างกายกับใจ ร่างกายก็คือรูปประคันฉันส่สวนนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่ในใจ <c oughs> การทํางานของขันห้านี้ก็ไม่มีตัวตนรูปก็ไม่มีตัวตนรูปก็เป็นส่วนประกอบขึ้นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็ น, <c oughs> เ, ปนรรเป็นการกระทําเป็นการ เป็นการปรากฏการขึ้นของสิ่งที่มีอยู่ในจิตนี่จิตนี่มีความสามารถที่จะส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดมีความรู้สึกมีความจำได้หมายรู้เวลาที่เห็นรูปเสียงกินรลก็จะจาได้หมายรู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นต้น อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นฟังก์ชันเป็นหน้าที่หรือความสามารถของของจิตความสามารถเหล่านี้ก็ไม่มีตัวตนมันเป็นความสามารถไปเหมือนกับ <c oughs> ไฟฟ้าเหมือนกับน้าปรัปาที่ไหลอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาสัญญาสังขารมันก็เกิดปับ๊บแล้วก็มันดับไปแล้วเลยมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ หลังการคิดปรุงแต่งคิดแล้วก็ดับไปเวทนาก็เปลี่ยนไปจากสุขเป็นทุกข์จากไม่สุขเป็นทุกข์อะไรไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ไปน <c oughs> ี่คือขันห้าที่เราหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรานแต่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาด้วยความแยกคายจนเห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสามารถไปควบคุมบังคับมันได้ตลอดเวลา ถ้าไปอยากจะไปบังคับให้เป็นไปตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะอยากจะไปบังคับให้รู ป, ปรขันร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากนี้ขึ้นมาก็จะไปสร้างความทุกข์ในอริยสัจสีขึ้นมาทุกข์ที่เกิดจากความอยากพอมีความอยากจะใช้ร่างกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้ามีการว่าตัณหา ก็เลยอยากจะให้ร่างกายนี้สมบูรณ์อยู่ไปนานๆไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแต่ธรรมชาติของร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ถ้าศึกษาวิเคราะห์จนเข้าใจแล้วก็จะปล่อยวางขันห้าได้ไม่ถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของขันแปดร่างกาย เปลี่ยนไปจะแก่จะเจ็บจะตายก็อยู่กับมันไปจะไม่สร้างความอยากขึ้นมาเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อกาจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่อริยสัจวีสถ้าสามารถาสามารถเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ใน่าป่วยก็ไม่อยากให้น่างกายตายพอเกิดความไม่อยากให้น่างกายตายยไม่อยากให้มันเจ็บ ก็จะเกิดความทุกข์ความเครียดขึ้นมาในใจแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันต้องเจ็บมันต้องตายเป็นธรรมดาก็หยุดความอยากไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์ทุกในระยะอริยสัจ4ี่ก็ไม่เกิดเพราะความอยากไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีอันนี้ก็จะเห็นการทํางานของอริยสัจสี่ชัดเจน ที่เกี่ยวข้องกับขันห้ากับรู ป, ปรขันกับเวทนาขันอันนี้ก็จะทําให้เห็นว่าขันห้านี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นลงเจริญเล่อเสือ่อมสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็อนัตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปห้ามมันได้ พอเห็นอย่างนี้ใจก็นี่งเฉยสัตว์แต่ว่ารู้ไปด้วยกําลังของโอเบคาที่ได้มาจากการเจริญสมาธิอปปนาสมาธิต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งอัปปนาสมาธิพร้อมกับมีปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่และไตรลักพร้อมๆกันไปใจก็จะ <c oughs> หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากสักยัทิฏฐิได้ ความหลงที่เห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราก็จะหายไปจะเห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจก็จะไม่ทุกกับขันห้ า, าต่อไปเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธว่ามีจริงหรือไม่เพราะได้เห็นทำคาสอนพระเจ้าที่ปรากฏขึ้นในใจ เ, เห็นอริยสัจสี่ อย่างที่พระเจ้าตัดว่าผู้ใด้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหอเห็นอนริยสัจสี่ปรากฏการทํางานของอริยสัจสี่อยู่ในใจทุกสมุทยัยสมุทัยสร้างความทุกข์มักมักละมักจะทําให้ความทุกข์ดับไปเห็นการทํางานของทั้งสมุทยัยทั้งของมกักถ้ามีมกักมีสติมีปัญญาสมาธิเห็นความจริงของ ของร่างกายของการนั้นว่าเป็นไตรล้วและเห็นความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากมันก็ละได้นัความอยากได้เห็นผู้ที่เห็นอริยสัจสี่จากการปฏิบัติการในการละสังสั ง, ส, ง, ส, งสังโยชน์ข้อนี้ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงหรือเปล่าเพอเห็นค่าธรรมคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงตัดสัตวที่นํามาผอยแผ่สั่งสอนชัดเจน มันมีพระธรรมมันก็ต้องมีคนสอนพระธรรมวันนี้ผู้ที่สอนพระธรรมวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้ก็คือสังฆารัยสองสาวกคือพระโสดาบันนี่ความลังเนสงสัยในพระพุทธทาสพระสงฆ์ก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วความลูกคำในเรื่องของศีลก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะเห็นชัดเจนมาเวลาทําบา คิดบาปพูดบาปนี่ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเม า, เ, าเพราะการกระทาเหล่านี้จะสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองนี่ก็คือการละสัโยตสามข้อด้วยการละสักกายทิติเป็นหลักถ้ารักสักกายทิติได้ก็ยละ วิจิกิจฉาความรังเลยสงสัยในพร ะ, ะ, ะพุทธธรรมระสงี์าราศีลรัตพัตปรมากการลูกคำในศีลได้เห็นว่าศีลนี้เป็นสิ่งที่ต้องรักษาต้องไม่กระทำบาปโดยเด็ดภาดพระวิญญบุคคลทุกระดับก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาอันนี้ก็บรรูปถึงปริญญาขั้นที่หนึ่งคือขั้นขั้นสูดาบันด้วยการละ สัโยชนสามข้อแรก น, นี้มีสังโยชอีกสองข้อที่จะต้องทำสำหรับผู้ที่จะต้องการขึ้นในระดับต่อไปก็ระดับสักสกิทาคามีกับอนาคามีระดับสังโยศที่ต้องละ ก, ก็มีกขเรียกการมาราคะคือความอยากเสพยังยังมีความอยากจะเสพเสพกลางคือร่วมเพศมีความอยากที่จะร่วมเพศร่วมหลับนอนกับผู้กอง กับบุคคลอื่นเังนั้นการที่เราก็ความหงุดหงิดที่ตามมาเวลาเกิดความอยากแล้วยังไม่ได้เสกก็จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาการที่จะละสังโยชน์ข้อนิราก็ต้องไปละด้วยการเจริญอสุภะให้เห็นว่าร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมเพศโดยนี้ไม่สวยไม่งามเป็นเหมือนซากศพถ้าเห็นว่าเขาเป็นซากศพจะไม่อยากจะนอนกับเขาหรือเห็น เห็นสภาพภายในร่างกายของเขาที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นอวัยวะต่างๆเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นเห็นน้ําต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองเห็นที่เป็นปฏิกูลปปัศวะอุจจาระที่มีอยู่ในร่างกายนี่คือการพิจารณาอสุภะเพื่อให้กําจัดการมราคะและปฏิฆาถ้าสามารถพิจารณาอสุภะได้ ประมาณร้อยละห้าสิบคื อ, อยังไม่ต่อเนื่องตลอดร้อยตลอดเวลาบางทีก็เผลอบางทีก็ไม่ได้พิจารณาช่วงที่ไม่พิจารณาการมาราคะก็จะโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาถ้าพิจารณาการมาราคะมันก็จะดับไปแสดงว่าขั้นที่สองนี่ทำให้เบาบางลงไปทำให้การมาราคะและปฏิฆาเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดเพราะยังไม่สามารถมองเห็น ร่างกายว่าเป็นอสุภะได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันพยายามปฏิบัติพิจารณาไปต่อไปเรื่อยๆ เ, เป็นกระทั่งมันฝังอยู่ในใจจําได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกที่อยากจะมีความร่วมเพศก็จะเห็นอสุภะขึ้นมาการมราคะกับปฏิฆะก็จะดับไปทันทีอันนี้ก็เป็นขั้นที่สามขั้นที่สองนี่คือสกิทาคามีทําให้เบาบางลงไป แต่ยังไม่หมดสิน้นข้านานาคาเมนนี้จะทําทให้กามาราคาและปฏิฆะนี้หายไปหมดนี่ก็คือการบรรลุผลขั้นที่สามมักที่ใช้ก็ทานศีลสมถะภาวนาคือสมาธินี่เหมือนกันแต่วิปัสสนานี้ไม่เหมือนกันเพราะข้อสอบไม่เหมือนกันข้อสอบก็คือต้องเปต้องเจริญอสุภะต้องเห็นอสุภะเห็นน้ํากาย เป็นซากศพเป็นอาการสาสิบสองี่ถ้าเห็นอาการชัดเจนเหล่านี้แล้วก็จะไม่เกิดความอยากที่จะร่วมเพศจบไข่อันนี้ถ้าผ่านสังโยชน์สองข้อนี้ได้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องความหลงยึดติดกับกามาได้ทั้งหมดยึดติดกับร่างกายผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามนีนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะเสกกาม ไม่มีความอยากเสรจการทุกแบบทุกรูปแบบไม่ว่ารูปเสียงกลิก่นรสผลิตภัณของอะไรก็ต่างอันนี้ก็จะบรรลุขั้นที่สามคือขั้นอนาการามีส่วนหลังจากนั้นก็จะต้องไปทำข้อสอบข้ อ, ข อ, ขอระดับข้ อ, ขอที่ระดับที่สี่คือระดับอลาหาันเพราะยังมีสังโยชน์ข้อสอบที่ยังเหลือตกค้างอยู่อีก5าข้อสอบที่ต้องทำ กอเขาเรียกสังโยชน์เรื่องบนมีรู ป, ปราราคะอรู ป, ปราคะรู ป, ปราราคะก็คือความความยินดีในรูปประชานอรู ป, ปราราคะความยินดีในอรูปประชานความอยากเสรรูปประชานความอยากเสรรูปประชานแล้วก็มีมานะการถือตัวมีอุทจจะความฟุ้งซ่านและมีอวิชชาความความหลงที่ยัง ไม่เห็นอริยสัจสี่ที่ที่ละเอียดที่ยังฝังอยู่ในจิตยังไม่เห็นสมุทัยที่ยังมีอยู่ในจิตยังมีความทุกข์ที่เกิดจากที่ที่ผลิตขึ้นมาภายในจิตอันนี้ก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ละให้ได้ด้วยปัญญาพิจารณาด้วยการใช้ใจรักว่ารูปฌานและรูปฌานก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ เสกได้แต่มันเป็นของชั่วคราวเวลาเข้ารูปปัจจานหรือรูปปัจจานมันก็สงบสบุขดีแต่มันอยู่ไม่ได้ไม่ตลอดเวลาไม่ถาวรต้องออกจากรูปปัจจานเวลาออกมาจากรูปปัจจานหรือรูปปัจจานความสงบที่น่าจากรูปปัจจานหรือรูปปัจจานก็หายไปก็ก็อยากจะกลับข้อใหม่ยังมีความอยากอยู่ถ้ามีความอยากแล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าก็จะมีความทุกข์ใจ ก็จะเห็นว่าเนี้่ยความยากในรูปรรประชานรูปประชานก็เป็นสมุทัยตรงละความทุกข์จะได้ไม่เกิดคือไม่ต้องไปเสพอย่าไปเสเพว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดไม่เสพเราก็อยู่ได้อยาเสพติดเราไม่เสพเราก็อยู่ได้รูปรรประชานรูปประชานเราไม่เสพเราก็อยู่ได้ส่วนมานะนี่ก็เป็นการถือตัวความหลงที่ยังถือว่าเรา สูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาหรือเท่าเขาอยู่มองคนแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถของเขาแล้วก็ไปเปรียบเทียบว่าเขาสูงกว่าเราเราต่ำกว่าเขาควจริงมันก็เป็นเรื่องของความสามารถมันไม่เรื่องของจิตที่แต่จิตไี่มีความสามารถไม่เหมือนกันแต่มันไม่มีตัวตนในความรู้ความสามารถแบบ่นั้นเวลาทําจิตให้นิ่งสงบความรู้สึกว่ามีตัวตนมันก็จะหายไป ความรู้สึกมีตัวตนมันเกิดจากสัญญาสังขารคิดปุ่งแต่งขึ้นมาแล้วฝังอยู่ในจิตแล้วก็เชื่อมันมาตลอดแต่พอเวลาทำจิตให้สงบก็จะเห็นว่าความรู้สึกว่าความมีตัวตนมันก็หายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ตัวรู้มันก็จะณนะมานะได้แล้วเหลือตัวสุดท้ายก็วาอาวิชชาอาวิชชานี่ก็เป็นของที่ละเอียดที่ ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรยังมีความอยากอยู่กับอะไรอยู่ก็อาจจะพยายามคิดค้นหาดูการพิจารณาความจริงอันนี้อาจจะทำให้จิตฟุ้งซ่านได้เกิดอุทจักขึ้นมาวิธีแก้อุทจกักก็คือต้องพักการพิจารณาเป็นพักๆไปเมื่อพิจารณาแล้วเกิดความฟุ้งซ่านก็ต้องหยุดพักเข้าไปในสมาธิพักในสมาธิให้จิตสบตงบแล้วค่อยกลับมาพิจารณาใหม่ ในที่สุดก็จะเห็นอวิชชาว่าเป็นตัวที่ไปยึดไปติดกับความสุขของของจิตนั่นเองความสุขของจิตอย่ากให้สุขจิตทำไม่จิตสุขไปตลอดให้แต่ความสุขของจิตในระดับนั้นก็ยังเป็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นอนิจจังอยู่ต้องอยาบประหยัดมันจ ะ, จะเจริญมันจะเสื่อมถ้าปล่อยมันจ ะ, จะเจรินไปมันเป็นอนิจจ์ทุกขงังมนโนตา ถ้าไปอยากให้มันไม่เสื่อมก็จะทุกข์มันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปเพอาะปล่อยได้ปับ๊บทีนี้มันก็ลความอยากได้ทั้งหมดเลยความอยากที่มีเหลืออยู่ในจิตก็หายไปหมดจิตก็ว่างสงบบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมาทันทีอันนี้ก็คือขั้นวิปัสสนาขั้นขั้นสูงสุดการใช้ ใช้วิปสัสสนาปัญญาเพื่อพิจารณาจิตเนี่ยที่คนบอกดูจิตจิตดูจิตก็ดูตัวนี้แหละดูว่าละสังโยชน์ห้าตัวนี้ได้หรือไม่คนบอกดูจิตแต่ไม่้อ้ดูอะไรอันนี้ดูเคละสังโยชน์ห้าข้อนี้ละรูปราคขะอรูปลาคะละมานะละอุทัจจณะละอวิชชาละสังโยชน์่นทั้งห้าข้อ จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นอ า, าลัตผลเป็นนิพพานตามมาตามลำดับนี่ก็คือเรื่องของของการปฏิบัติในทางศาสนาต้องเจริญมรรคต้องสร้างมรรคขึ้นมาเป็นเครื่องมือมรรคเริ่ต้นที่ฐานถ้ายังมียังใช้เงินใช้ทองเพื่อดับความทุกข์อยู่ก็ต้องเลิกเงินทองดับความทุกข์ไม่ได้ เ, เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆมาดับความทุกข์มันดับมันเป็นความดับแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันดับถาวรไม่ได้ต้องเลือกใช้เงินทองมีเงินทองก็เอาไปบริจาคเสียทําทานเสียหรือถ้าจําเป็นจะเก็บไว้ก็เก็บไว้เพื่อเล่นดูร่างกายเป็นปัจจัยสี่เท่านั้นจะใช้เงินทองได้ก็เพียงดับใช้เพื่อเล่นดูร่างกายเพื่อจะได้เอาร่างกายนี้มาปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ได้บวชก็ยังต้องใช้เงินทองอยู่ แต่ถ้าได้บวชก็เงินทองที่มีเท่าไหร่ก็บริจาคไปหมดเลยเพราะพอบวชนะไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทองต่อไปเมื่อบวช้วก็จะได้รักษาศีลได้ได้เต็มที่ศีลศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบศีลแปดเนี่ยอันนี้ก็เป็นศีลของนักบวชแล้วก็ทีนี้นก็จะได้มีเวลามาเปรียเว้มาเจริญสตินั่งสมาธิอเจริญสมถะภาวนา ให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนให้มีอุเบกขาก่อนพอมีอุเบกขาแล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะไปทำข้อสอบคืพิจารณาละสัโยชตข้อสอบแรกก็พิจารณาขันห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขั้นขั้นที่สองขั้นต่อไปก็พิจารณาร่างกายว่าเป็นอสุภะเพื่อละกาลเวลาคาปฏิฆะแล้วขั้นที่สามก็ พิจรณาจิตให้เห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวรู้เป็นสัตว์แต่ว่ารู้แล้วก็ไม่ให้ยึดความสุขที่ที่มีอยู่ในจิตเพราะเป็นความสุขที่เป็น ค, ความสุขที่ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่พอละละสังโยชน์ทั้งหมดนี้ได้จิตก็จะไม่มีตัวการที่จะมาสร้างความวุ่นวายคือตัณหาคว า, ามอยากถูกกำจัดหมดแล้ว ถู ก, กําจัดหมดแล้วจิต ท, ที่ไม่มีความอยากก็กลายเป็นจิต ท, ที่สงบที่สงบอย่างถาวอที่นิ่งสงบที่ให้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากการไม่มีความอยากลงเลยอยู่ในจิตนีอ้อ น, นี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติทางศาสนาให้คุณหมอและท่านผู้ชมได้ฟังได้ฟังกัน วันนี้ได้ละเอียดมากเลยครั บ, ารบอาจารย์ครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอาจารย์ครับเข้าใจครับใช่ไหมสงสายตงไหนไหมก็เข้าใจว่าเลือก 2, 3, 10ส่วนขั้นท ร, รมักราต้องมักนีน้นเหมือนกันหมดจอสมผสา่วงสถากจะัดั้ง ท, ที่ั้นี้ปัชนาชั้นนี้ทาแต เสียงของคุณมันค่อนข้างหายหาไปเมือนกันนะคอนเสิร์ดเจนอ่าไม่ทราบว่าพอมัที่ใหม่หรือเปล่า WiFi หรืออะไรก็ไอ๋อแต่ดูแล้ว WiFi ชัดใจชัดเจนครับอาจารย์ครับตอนเทสกับพี่บอยก็ชัดเจนนะครับอาจารย์ครับผมยังเข้าใจว่าใหม่อาจารย์นี่มีปัญหานล็กน่อยหรือเปล่ามีบ้างครับอืมที่เสียงเสียงของคันก็ขาดหาอะไรไป <ไ>จะลองให้เข้ามาใหม่ ไ, มไ <ป S 2> ลองเข้ามาใหม่ดูนะของผมหายได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองกลับไปก่อน <Yeah. S 1> พรอาจารย์ครับเทสเียงครับฮัลโหลหนึ่งสองสามไม่มีแล้วโอ้พรอาจารย์มีเลยครับอ่อาอาจจะไม่บ้างเล็กน้อยยังมาอยู่เดี๋ยวเราลองไปดูลนด์นึ่งองสามก็ลองอ น, นะเรียไหมด ไ, ดได้ครับจ ะ, <ด>จะได้ใช้ดูว่ามันเป็นงไง ขออภัยวันนี้เสียงนิดหน่อยมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆได้ยินชัดเจนดีไหมพี่บอยชัดเจนไหมเดี๋ยวผมจะจะลองชัดเจนทุกช่องทางโอเคเดี๋ยวผมจะลองขอเอาเอาจารย์ทำอีกทีนะครับอานะจารย์ครับตอนนี้ก่ อ, อ น, นเราพูดมันก็ไม่มีเสียงแต่พอเราพูดมันก็จะมีเสียง ก็ตอนอยู่กันยี่ไปก็แล้วกันเวลาเราพูดก็ค่อยเปิดจอของเราคนเดียวก็แล้วกันครับอ า, าจารย์ตอนที่พระอาจารย์ออกไปได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับอาจารย์ครับชัดเจนเวลาเข้ามานคุณหมอยังไม่ได้เอาเราเข้าห้องเรวก็ได้ยินเสียงคุณหมอชัดเจนไม่มีเสียงเลยครับกุณครับผมแต่ว่าวันนี้ได้ประโยชน์มากมายเลยครับอาจารย์เห็นแผนที่ก็ชัดเจนมากเลยครับอืมครับครับผมอาจารย์ครับจะขอ ถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับมีผู้ ต, ตรงออกนามครับบอกว่าควรจะเตรียมใจอย่างไรให้พร้อมกับการพลักพรากไม่ว่าจะจากเป็นหรือการจากตายจากคนที่เรารักครับก็คือให้นึกบ่อยๆพิจารณาอยู่นเนืองๆพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มันพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายาการพลัดท่าจากกันว่าเป็นเรื่องปกติ เ, เรื่องธรรมดาถ้าเรารู้เรื่วงหน้าเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้ คิดบ่อยๆแล้วมันก็จะทําใจได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังจะอาจจะยังทุกอยู่ถ้าอยากจะไม่ให้ทุกเลยต้องไปฝึกสมาธิทําใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะไม่ทุกใจจะเนื่งเฉยจะไม่มีปฏิกิริยากับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้ายังไม่ถึงระดับสมาธิอัปปนาสมาธิอย่างไม่ก็พยายามนึกบ่อยๆแล้วก็ทําสอนใจให้ยอมรับกับความจริงนี้ให้ได้ และเวลาแกิความจริงถึงหน่ามันจะเศร้าแต่มันย่อมไม่ถึงกับภูมิไฟลแล้วให้แบบภูมิไฟแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยผู้เจ้าทรงสอนให้นึกถึงถึงหมดในอยู่เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาย่อมมีกา ร, รทภาจากการเป็นธรรมดาร่วมพ้นสิ่งไปไม่ได้คิดทุกวันคิดวันละหลายหลายรอบย่อมมันจะ มันจะทำให้ใจต้องพยายามเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์มีบอกว่าหมอทั้งหลายจบสายวิทย์มาแต่ทำไมหลายคนเชื่อในเรื่องวิญ ญ, ญาณคับอาจารย์ครับเพราะยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ไม่ได้ศึกษาทางพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ยังไม่เข้าใจว่าวิญ ญ, ญาณที่แท้จริงเป็นอะไรวิญญาณที่แท้จริงมันเธ า, าตุนอนง เดี๋ยวคุณมอต้องให้เราภาพภาพของเราปรากฏขึ้นอันเดียวนียค่ะคือไม่ได้ศึกษาเรื่องเรื่องจิตอย่างชัดเจนเลยไม่เข้าใจแล้วความรู้ที่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานที่ที่ครบทู้นบริบูรณ์เป็นเรื่องที่แต่งกันมาบ้างผสมปรุงแต่งกันบ้างเรื่องของจิตนี่ต้องจิต ต้องศึกษาทางพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชิญคำถามต่อไปจากคุณ YouTube นะครับลูกสาวอายุ34ปีแต่งงานกับคนอังกฤษมา6ปีบอกยมว่าจะเลิกกับสามีและลูกสาวกินเหล้าติดเพื่อนคนไทยในที่ทา ง, งานยมผิดหวังและเสียใจมากควรจะวางใจอย่างไรให้คุก ก็เป็นเรื่องของเขาก็เขาก็เป็นขันห้าเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเขาจะเป็นแบบไหนก็เป็นเรื่องของของเขาเป็นเหมือนกับเป็นผลไม้คนเราก็เป็นเหมือนเป็นผลไม้ซึ่งมีหลายหลายชนิดด้วยกันบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นมะพร้าวบางคนก็เป็นสับปะรดเราจะไปอยากให้เขาเป็นสับปะรดก็ไม่ได้ถ้าก็เป็นมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้น ต้องยอมรับสภาพความไป็จริงของเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์เหมือนกับที่เรายอมรับสภาพของร่างกายเราว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรายอมรับได้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากให้ลูกสาวของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับว่าลูกสาวเขาเป็นอย่างนี้นะเราจะไปเปลี่ยนเขาได้อย่างไรยอมรับเขาได้เราก็จะไม่ทุกข์ หมอไปเลยคุณหมอไม่ต้องปับไม่ต้องเปลี่ยนพายก็ได้เพราะรู้สึกว่าจะได้ไม่มีเสียงปัญหาเรื่องเสียงคุณหมาพูดเราไม่ได้ยินนะพูดได้ไ่มครับรครับอาจารย์ครับจากคุณ m ม f r เฟรนครับเห็นว่าคิดตลอดเวลาเกิดขึ้นเองเป็นอนัตตาใช่ไหมครับแล้วจะเดินตามแผนที่บรรลุธรรมอย่างไรครับอ่าเดี๋ยวเปิดปับ ความคิดนี้เราไม่สามารถหยุดมันได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถหยุดมันได้เป็นพักๆถ้าเรามีสติที่เราสามารถที่จะทำให้ความคิดนี้หยุดเป็นพักๆได้แต่เราไม่สามารถบังคับให้มันหยุดไปตลอดเวลาได้แต่การหยุดเป็นพักๆนี้มันก็จะช่วยทำให้เรามีพลังมีความสามารถที่จะควบคุมความคิดบังคับให้คิดไปในทางที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราได้ เพราะความคิดนี้มันสามารถคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็ได้คิดไปในทางที่ทำให้ไม่ไม่เกิดความทุกข์ก็ได้เป้าหมายของเรานี่เราไม่ต้องการที่จะให้มีความทุกข์ในใจเราเราก็ควบคุมความคิดให้มันคิดไปในทางที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราหรือไม่ให้คิดไปในทางกิเลสตัณหานั่นเองต่อไปคุณหอัอคุณช็อกโก้ครับหลังจากรู้ธรรมะ ใจจะเบาขึ้นปล่อยวางได้หลายอย่างจนคิดว่าตัวเองเป็นคนเย็นชาไหมครับก็คนมีธรรมะ ก, ก็จะเป็นคนใจเย็นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนแต่ก็ก็ยังมีคุณธรรมมีมีเมตตากรุณาเมตตากับผู้อยู่เสมอเวลาพบปากกับใครก็จะมีความเมตตาไม่ได้เป็น ม, มีความเป็นคนเย็นชาเฉยหนย่วย นี่มีธรรมะจริงๆแล้วจะมีมีบุพภวิหารสีด้วยจะมีความเมตตาเวลาพบปากกับใครก็จะแสดงมัยตริตแล้วถ้าใครเดือดร้อนก็ยินดีพร้อมที่จะช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือมีการณาและถาใครได้ได้ดีได้ดีได้ความสุขได้ความเจริญก็พร้อมที่จะแสดงความยินดีแต่ถ้าใครมีมีความปรารถนาไม่ดีก็จะเฉยๆไม่ตอบโต้ไม่รู้เบี้ย ใครจะคิดร้ายใส่ร้ายดาวว่ากล่าอย่างไรก็จะไม่ว่าไม่ตอบโต้นี่คือลักษณะของคนที่มีมีธรรมะในใจมีความสงบอาจารย์ครับเมื่อกี้ดูคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับบอกว่าธรรมะวันนี้วางแผนได้ดีมากเลยครับพระอาจารย์ครับชื่นชมมาเยอะมากเลยครับจากคุณสุกัญญาครับ การดึงสติให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพควรฝึกจิตอย่างไรครับก็มันพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี่คือความจริงความจริงของร่างกายก็คือร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไปได้สุขภาพบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีแต่สิ่งที่มันแน่นอนก็คือมันจะต้องไม่ดีไปตามเวลามันจะเสื่อมไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมเมื่อร่างกายเสื่อมมันก็จะมีสุขภาพที่ไม่ดีตามมาแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆตามมาจนในที่สุดมันก็จะถึงแก่ความตายให้นึกถึงภาพเหล่านี้อยู่บ่อยๆคิดนึกอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจมันจะไม่ดือ่อมันจะไม่ต้านความจริงอันนี้นล้วมันจะทาให้ใจสงบใจจะไม่ทุกข์กับความสุขภาพที่ทเสื่อมลงไปยอมรับมันได้ ขวัญพจน์พยายามพิจารณาให้มากๆจากคุณขวัญประชาครับบอกว่าวิญญาณคืออะไรครับใช่เราไหมครับคือคําว่าวิญญาณนี่มันมีความหมายหลายสองสองอย่างด้วยกันคือธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้ที่มีความสามารถที่รู้มีความรู้สึกนึกคิดนี่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายหรือผู้ที่มา สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเนี่ยเป็นธาตุรู้แต่ภายในธาตุรู้นี้จะมีความสามารถอยู่สี่อย่างอย่างที่ได้แสดอไว้เบื้องต้นว่าธาตุรู้นี้นีครับสามารถที่จะส่งกระแสไปก่อะกับร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้กระแสที่ส่งไปนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในขันห้า ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ไปรับรูปเสียงกิริย์นสดจากร่างกายมาสู่ธาตุรู้คือใจแล้วชื่อของธาตุรู้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเวลาที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาที่มีร่างกายเช่นตอนนี้พวกเรามีร่างกายเราก็เรียกตัวธาตุรู้นี้ว่าจิตใจแต่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปธาตุรู้นี้อยู่ตามลําพังไม่มีร่างกายอันนั้นเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรนี่ก็คือตัวธานรูเนียที่เป็นจะไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกขึ้นสวรรค์คุณอนิชาครับทําอย่างไรจะปล่อยวางเมื่ออยู่กับหลานที่ทําอะไรให้เราต้องเหนื่อยใจแนะนําอะไรไม่ได้แต่ต้องอยู่ด้วยกันครับก็มองเขาว่าเป็นอนัตตางเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นเหมือนเดินฟ้าอากาศ ถ้ามเราอยู่กับดินฟ้าอากาศได้น้อนขนาดไหนเราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมหนาวขนาดไหนเราก็อยู่กับมันได้ฝนตกเราก็อยู่กับมันได้น้ําท่วมเราก็อยู่กับมันได้พ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาอยู่กับคนที่เราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องทําใจเท่านั้นเองก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้เขาเปลี่ยนไปอย่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะไม่เหนื่อยที่เหนื่อยเพราะพยายามจะไปเปลี่ยนเขาเท่านั้นเอง คำถามจะคุณขวัญครับการวางจิตกับเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ําๆจะต้องทําอย่างไรดีครับก็มันก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับว่าฝนมันตกอยู่เรื่อยๆฝนตกช่วงหน้าฝนมันก็ตกบ่อยๆเราก็ต้องอยู่กับมันไปเราห้ามมันไม่ได้จะทํำยังไงเปลี่ยนมันไม่ได้ก็มองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้แต่ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราขึ้นมาเอง ปัญหาอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราไม่อยากจะเจอของซ้ำ ซ, ำซ้ซากๆบ่อยๆมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจได้แต่ถ้าเราทำใจว่ามันก็เป็นของที่เราห้ามไม่ได้บังคับเปนไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเราก็อยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์ใจคุณกิติศักดิ์ครับแผนที่หรือแผนการที่จะเดินทางมีระยะเวลาและควรแบ่งช่วงปฏิบัติ ก็เราต้องดูว่าชีวิตเราจะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนั่นเองตอนนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเพราะถ้าตายเมื่อไหร่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกรพิการเมื่อไหร่นี่มันจะทํายากหรือทาไม่ได้ถ้าตายก็ทําไม่ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยพิกรพิการนี้ก็จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงรีบมาทําเสียแต่์ัดนี้ อยงที่โบราณเขาพูดว่านับขึ้นให้รีบตักอย่าไปบัวโลเลท่ทำเรื่องอื่นไม่มาทอยตักน้ําให้เต็มตุ่มให้ก่อนเพราะเดี๋ยวเกินน้ําน้ํามันลดแล้วมันจะไม่มีน้ําให้ตักนั่นเองก็คือเราต้องอย่าประมาทพระเจ้าบอกสังขารเป็นของไม่เที่ยงน่างกายเป็นของไม่เที่ยงมีก่อนแล้วจะต้องมีดับไปเป็นธรรมดาจงรีบเร่งทําประโยชน์ให้กับตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ก็คือด้วยความด้วยความตั้งใจด้วยความเพียรพยายามอย่างเต็มที่อยากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้ปฏิบัติทมคุณสุจินดาครับเพื่อนบอกว่าให้อธิษฐานจิตขอให้ถึงนิพพานจะเป็นการขอที่มากเกินไปหรือเปล่าครับออสิ่งเรานี่ขอไม่ได้มันต้องทำ ศา ส, สนาพุทธนี่ไม่ได้สอนให้ขอสอนให้ทาศาสนาธรรมไม่ใช่ศาสนาขอถ้าอยากจะได้ต้องทำต้องทำเหตุทำข้อสอบทำการบ้านไปเรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นก็ถึงจะได้ปริญญาทางพระพุทธศาสนาขอไม่ได้คุณพงศ์ครับสอบถามเรื่องการใส่บาปว่าใส่ปัจจัยด้วยได้หรือไม่ครับจะบาปไหมครับ คือญาติอยมไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันผิดพระไม่ไงของพระพระนี้ไม่ให้รับเงินทองด้วยกับเมือของตนเองถ้าอยากจะถวายปัจจัยเงินทองนี้ต้องฝากกับลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้ต้องถามพระว่าจะให้ปัจจัยนี้ไว้กับใครเป็นต้นเวลาจะสายบาตรพระมักจะมีลูกศิษย์ตามมาด้วยพระก็จะบอกว่าให้คนนี้ไว้แล้วคนนี้เขาก็จะรับเจ็บเอาไว้แล้วเวลาพระต้องการจะซื้อข้าวซื้อของของใช้บางอย่าง ก็บอกให้คนนี้ไปจัดซื้อมาให้ได้แต่โยงไม่บ่า เ, เพียงแต่ว่าทําทําให้ถูกพระวินัยของพระเท่านั้นเองทำให้พระต้องผิดพระวินยัยคุณก้อยครับถ้านั่งกรรมฐานแล้วเห็นอะไรมากมายนี่ถือว่าเป็นมานใช่ไหมครับเือว่านั่งไม่ถูกนั่งไม่เป็นการนั่งที่ถูกมันจะไม่เห็นอะไรคือการนั่งด้วยการมีสติ ต้องมีสติกำกับใจต้องมีอารมณ์ย้ายอารมณ์หนึ่งให้คอยควบคุมใจเช่นให้มีคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือให้มีการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องถ้ามีพุโทโธหรือมีการดูลมอย่างต่อเนื่องนี้จะไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเพราะการนั่งนี้เพื่อเพื่อทําใจให้ว่างให้สงบนั่นเองถ้าเห็นทัแน่แสดงว่าหลงทางแไม่ใช่ไปในทางที่ต้องการจะไป รต้องการไปทางที่สงบที่ว่างที่สบายที่สุขที่มีอุเบกขาในเวลานั่งสมาธินั่งปฏิบัติธรรมนี้ต้องนั่งด้วยการมีสติมีพุท ธ, ธานุสติก็คือมีคำวิรกรรมพุโทโธถ้ามีอนาปนาสติก็มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเขา้าออกถ้านั่งแบบนี้แล้วจะไม่เห็นอะไรจะไม่มีอะไรให้เห็นจิตจะค่อยๆสงบแล้วก็บางทีก็สงบแบบพวดาพาดเหมือนตกหนุมตกบอ นิ่งแล้วก็ทุกอย่างก็ว่างไปหมดเหลือแต่สัตว์แต่ว่ารู้คุณอีฟครับการสวดระปริศสามารถแก้ไสยศาสตร์นะครัอันนี้เราไม่รู้นะเราเพียงแต่รู้ว่าการสวดบนนี้เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งคือเป็นธรรมานุสติบทสวดมน์นี้เป็นคาสอนคาสอนของพระพุทธเจ้า เวลาเราสวดมนต์นี่คราบเราจเจริญธรรมานุสติให้จิตเรามีสติอยู่กับบทสวดมนต์เราจิตเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายจากคุณวิรัตครับปฏิบัติมาหลายปีแล้วครับแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้าต้องทำอย่างไรครับก็มีเอยๆ มีอยู่สองสองอย่างด้วยกันที่ไม่กนะ้าวหน้ารือปฏิบัติไม่ถูกสองปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติน้อยก็ไม่ก้าวหน้ามันต้องมีทั้งสองอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติมากปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติให้มันถูกถ้าไม่ถูกก็ต้องศึกษาปไปเรียนรู้จากผู้ที่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกว่าปฏิบัติอย่างไร นั่นขาอย่างปฏิบัติให้มากคุณเกิมครับการนวัตกรรมเรียนถามอาจารย์เรื่องจิตผู้รู้กับสมองของเรานั้นทํางานร่วมกันอย่างไรเช่นตอนนี้ของสัญญานั้นเป็นของสมองส่วนหนึ่งและมีที่เป็นจิตผู้รู้ด้วยไม่ครับไม่ใช่หรอกความจํานี่มันอยู่ที่จิตสัญญาความจําได้ไหมรู้มันอยู่ที่จิตสังขารความคิดปรุงแต่งก็อยู่ที่จิต สมองเป็นเพียงแต่ผู้ที่คอยควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเท่านั้นเองแล้วก็สมองก็ ร, รับคําสั่งจากจิตอีกทีจิตสั่งให้ยกแขนขึ้นสมองมันก็จะสั่งการให้ให้แขนยกขึ้นแต่ถ้าเกิดประสาท ร, ระบบประสาทมันไม่ทํางานจิตสั่งการให้ยกแขนขึ้นมาแต่สมองไม่สามารถสั่งการให้ให้ให้แขนยกขึ้นมาได้แขนก็ยกขึ้นมาไม่ได้ เช่นคนที่เป็นน้ำมือเพลิดก็มาพาดนี่เป็นเพราะระบบการทํางานของสมองกับประสาทมันไม่ทํางานมันบกพร่องแต่ระบบคําสั่งสังขารสัญญาณนี่มันไม่บกพร่องแต่มันสั่งไม่ได้สั่งไว้แล้วมันตอบตอบสนองคําสั่งของจิตไม่ได้น้ำกายตอบสนองไม่ได้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าเนี่ยร่างกายมันมีอะไรผิดปกติมันก็เลยไม่สามารถตอบสนองคําสั่งของใจได้ คุณสายชนครับนั่งกรรมฐานแล้วรู้สึกตัวลอยเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้ควรจะทํำยังไงครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ควรไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาเวลาที่นั่งสมาธิให้อยู่กับลหมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธเวลามีปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าเราไปยุ่งกับเขาแล้วมันจะทําให้เราเสีย เสียศูนย์เสียสมาธิเราจะไม่สามารถเข้าสู่จุดหมายที่เราต้องการคือความสงบได้คุณพีโกครับอริยสัจสี่กฎแห่งกรรมปฏิจจังสุรากฎไตรลักษณ์สี่เรื่องนี้ควรเริ่มต้นจากหัวข้อใดครับคือถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติขั้นสติสมาธิยังไม่ต้องไปรู้หรอกเรื่องงานเหล่านี้รู้ไปก็ไม่เกิดปรนะโยชน์ ทาั้นปฏิบัติขั้นแรกก็คือต้องมีศีลให้ได้ก่อนต้องสามารถรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนไปปีกวิเว่เพื่อบริจานสติทำจิตให้สงบให้เป็นอันปนาสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเรียนรู้ทางด้านปัญญาต่อไปคุณสิริครับถ้าโอนเงินสดออนไลน์ทำบุญจะได้บุญไหมครับ ได้คําตอบง่ายๆก็คือได้ถ้าเราได้บริจาคเงินที่เงินก้อนนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของผู้ของผู้ที่รับไปแล้วของผู้ที่เราให้บริจาคไปแล้วเราก็ได้บุญบุญคือความรู้สึกความสุขใจอิ่มใจสังเกตดูในเวลาเราทําบุญเรก็จะ ส, สบายใจโล่งใจขึ้นเบาใจขึ้นอันนี้แหละคือบุญจะทําใจอย่างไรให้ใะรคนที่ทำให้เราโปรธ พูดอีกท <ân> ีได้ฟังไม่ชัดคือมีทําใจยังไงให้ให้อภัยคนที่ทําให้เราโกรธได้ะครับอาจารย์ครับก็เราคิดว่าเราเป็นพี่เขาก็แล้วกันเรากาจจะเคยไปทําอะไรเขามาก่อนเขาเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเราเข้ามา่วงนี้เราเราก็ให้เขาไปอย่าไปทําอย่าไปถือโทษก่อาคืนอย่าไปจอาเวรจองกรรมกับเขา แล้วต่อไปเขาก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วจากคุณคุปตฤดีครับการกตัญญูต่อพ่อแม่เราต้องทําอย่างไรบ้งางครับก็เบื้องต้นก็นต้องเคารพเคารพรักท่านนักเคารพรัท่านเทิดทูนท่านยกท่านอยู่เหนือหัวเรากราบท่านกราบท้าเท้าท่านได้กราบเท้า ถ้าท่านอยู่ก็กราบท่านทุกวันทุกเช้าทุกเย็นก่อนจะออกจากบ้านกราบท่านแสดงความเคารพเทิดทูนท่านแล้วถ้าเรายังอยู่ภายใต้การดูแลเลี้ยงดูก็ให้เชื่อฟังคํำสอนคำสอนของท่านแล้วถ้าถ้าเราถ้าเราโตแล้วแล้วเราเลี้ยงดูตัวเราได้มีความสามารถจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ ถ้าท่านไม่สามารถเลี้ยงดูตัวท่านเองได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านต่อไปเลี้ยงดูท่านบันย่อยกว่าบันตายอันนี้คือความกตัญญูกตเวทีที่เราควรจะมีต่อบิดามารดาไม่ประพฤติตนที่จะทําทให้เกิดความเสียหายหต่อต่อชื่อเสียงของของนามส ก, กุลของครอบครัวทําตัวให้เป็นคนดีนี่คือลักษณะของคนที่มีความกตัญญู ช็อกโก้ครับอยากมีวัสนาบวชชีพราบวชชีฝึกเรียนธรรมะมามากเป็นความฝันนะครับแต่ด้วยภาระพวกตัวหลวงตาให้พรด้วยครับไม่ได้ทำในสิ่งที่ใส่ฝันครับถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปฝันเลยมันจะทำให้เราทุกข์ใจไปบมาๆเราให้ถึงเวลาทำได้แล้วก็ไปทำดีกว่าจากคุณก้อยครับ ถ้านั่งสมาธิวันละ 20-30 นาทีถือว่าน้อยไปไหมครับวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงคิดดูแล้วกั น, กนคนท่านแค่20นาทีมันมันสัดส่วนเท่าไหร่กันวันนี้เขาปฏิบัติจริงๆนี่เขาปฏิบัติวันละ20ชั่วโมงคือก็นอนแค่4ชั่วโมงอีก20ชั่วโมงนี้เขาให้กับการปฏิบัติการปฏิบัตินี่ก็มาได้มาเควาก็จะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียว การเจริญสติทุกอิริยาบถนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วเน้นถ้าอยากจะปฏิบัติได้มากได้ผลนี้จะต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นคุณอารยาครับเจ้านายเป็นคริสเตียนเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กเราต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เจ้านายต้องการให้เราเป็นคริสเตียนเราจะยอมเพื่อความพอใจของเขาแต่เราเป็นพุทธเราจะบาปมากไหมครับ รู้สึกไม่มีความสุขเลยอยากหาของมันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการเงินทองจากเขาเราก็ต้องทําตามใจเขาแต่ถ้าเราต้องการที่เราจะต้องการพระรัตนนาตายเราต้องการอัญญามณีที่ล้ําค่ากว่างเงินทองเราก็ต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องเลือกเอาอย่างได้อย่างหนง แต่ถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณค่ากว่าเงินทองที่เขาจะให้เราคุณก็อาจจะต้องไปเป็นคลิกเซยไปก่อนก็ได้คุณก็ต้องขายตัวคุณนะคุณพัฒราครับทุกเย็นสรวจรถอีพีโซ ส, สมาทานสี่ห้านั่งสมาธิวละานาทีกำหนดจิบแล้วบริกรรมพุทธโธถูกต้องไหมครับ ทำเยอะอนกันแต่ทาแค่ห้านาทีมันเหมือนกับไม่ถ้าก็ไม่ได้ทําก็เหมือนกันทำมากนาทีมันจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรหรอกจะทํามันตสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงมขึ้นไปมันถึงจะได้คุณอีฟครับพระโพธิสัตว์สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมครับคำว่าโพธิสัตว์นี่คือผู้ที่บําเพ็ญบารมีสิบ ออยังไม่รู้จักทางที่จะไปสู่นิพพานว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะ<ม>จะจ ะ, จะบำเพ็ญบารมีอันแรกคือคือเมตตาและทานบารมีสองอันนั่นเองแต่จะแต่จะแล้วแต่ว่าจะแต่ละคนจะบำเพ็ญกี่บารมี ก, ร ก, กันแล้วกันผู้ใหญ่ๆอย่ยงจะหาว่ามันมีสิบบารมีด้วยกัน บางคนก็บางมันเพนทานมากบางคนก็บาเพนเมตาบ้างบางคนก็บางเพนศีนมากน้าแต่บคุคคลอหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฝ่ายความตัดสินใการหลุดพ้นจากการเวีว่ายตายเกิดแต่ยังไม่มองมองไม่เห็นทางยังไม่เจออริยาสัจสี่แต่ถ้าพอมันศึกษาได้มาเจอพระพุทธเจ้าได้ยินคั 3, ่งคําสอ น, ำนำ ข, 2, ข, 2, ของพระพุทธเจ้าแล้วนำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็บรรู้เป็นพระอริยบุคคลได้ คำ ถ, ถามว่าถ้าสวดมนต์ไหว้พระแล้วไม่ได้แผ่เมตตาจะถึงเจ้ากรรมนายเวรไหมครับแผ่หรือไม่แผ่ก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าการสวด น, นี้การบทการสวดบทสวด บ, บทแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาถ้าอยากจะให้เจ้ากรรมนายเวรนี้รับความเมตตาจากเราเราต้องไปหาเขาไปเจอตัวเขาเลยเช่นใครเป็นคนที่จองเวรจองกรรมเราเราก็ไปหาก็เลยแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าต้องการอะไร ต้องการเงินทองเท่าไหร่เพื่อที่จะล้มร้างนี่หรือความเสียหายที่เราทําให้กับเขาอันนีนะ้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาร แ, แผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวในห้องพักแล้วก็สวดแผ่เมตตาให้คนนั้นคนนี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ได้ยินอยากจะให้เขารู้ว่าเราต้องการจะให้ให้ความเมตตาเขาเราต้องไปคุยกับเขาไปเจอเขา คุณออนอนนงครับนั่งสมาธิรวมจิตลงเป็นสมาธิไม่ได้ลูกควรจะต้องนั่งต่อไปเรื่อยๆไม่ท้อใช่ไหมครับก็ต้องฝึกสติก่อนมานั่งนั่งไปเรื่อยๆทําให้มีสติมันก็ไม่รวมอยู่ดีมันจะรวมไม่รวมอยู่ที่การฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราฝึกสติได้มากโอกาสที่จะรวมก็จะมีมากขึ้นจากคุณไทเกอร์ครับ นั่งสมาธิแล้วไปยึดการเต้นของหัวใจได้ไหมครับไม่ควรเลยถ้าเราดูลมก็ดูลมอย่างเดียวถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวอย่าอย่าไปดูอย่างอื่นแต่คุณกาตูนค่ะพระอาจารย์บอกว่าหนูตั้งใจรักษาสิบห้าและกรรมบท10ิพิจารณาขันห้าและเห็นว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงหนูจะตั้งใจปฏิบตัติตอนนี้หนูลดความอยากผิดพลาดได้บ้างแล้วนะครับ ก็ดีไปถูกทางแล้วจากคุณอีฟครับจิตกับวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสครับอย่างที่อธิบายให้ฟังคําว่าวิญญาณมันมีสองความหมายวิญญาณเวลาที่จิตไม่มีร่างกายเราก็เรียกจิตว่าเป็นวิญญาณอันนี้เหมือนกันจิตกับวิญญาณเหมือนกันแต่เวลาที่จิตกับมีร่างกายนี้จิตก็มีวิญญาณอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวที่เชื่อมจิตกับร่างกายเชื่อมจิตกับตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณในขันห้าคุณคุณพรครับเวลาสวดคาถาจากกักพัทธทำไมหาวตลอดเพราะอะไรครับอันนี้คุณต้องถามตัวคุณเองครถามเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้เป็นเ ร, เราสวดเราไม่เห็นหาวเลย คุณสติครับภาวนาเห็นกิเลสตัวละเอียดแล้วเกิดละอายเกิดสังเวชน้ําตาไหลว่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นแต่ตอนนี้เห็นแล้วจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับเห็นกิเลสก็ต้องฆ่ามันเท่านั้นสต้องทําอะไำถ้าไปไปสังเวชมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ไปฆ่ามันเห็นมันโลภ ก, ก็ต้องฆ่ามันให้ได้ตัดความโลภไปให้ได้คุณพิงค์ครับ ควรจะสอนพ่อแม่ที่นําลูกไปทิ้งขยะอย่างไรครับก็อยู่ที่เขาว่เขาอเขอคําปรึกษาจากเราหรือไม่ถ้าไม่ขอคำปรึกษาก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปสอนเขาคุณแคทครับเวลาไปปฏิบัติธรรมแล้ววันพระเราอาราธนาสิ่แปลกถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผิดทั้งหมดหรือไม่หรือถ้าไม่แน่ใจระหวดอาราธนาสิ่งคาดีกว่าครับ ไม่เราผิดสินข้อายผิดก็ผิดเฉพาะข้อนั้นมันไม่เกี่ยวกันนี่เราเราไม่ได้พูดปลดเราพูดปลดแล้วมันมันทําให้เราไปขโมยทรัพย์ของคนอื่นด้วยหรือเปล่าเราไม่ได้ไปขโมยทรัพย์ของคนอื่นมันจะไปผิดข้อนั้งได้อย่างไรผิดข้อไหนมันก็ผิดข้อนั้นเผิดข้ อ, ดขอเดียวคุณสุดารัตน์ครับตอนใกล้ตายจัดทำยังไงให้ไม่เจ็บปวดทรมานครับ ทำใจปล่อยวางอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บถ้ามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจจะไม่ทรามารถ้าเราปล่อยถ้าไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราทําใจให้สงบรู้เฉยๆไปเราก็จะไม่ทรามารได้อย่างสงบคุณช็อกโก้ครับหนูบาปไหมเวลาฟังทำจะชอบง่วงและหลับแต่จิตหูฟังนะครับแต่ตาง่วงหลับครับ บารมีไม่พอสติมีไม่มากพอก็เลยฟังแล้วก็หลับต้องฝึกสติให้มากมากขึ้นคุณอีกครับมารกแกกับไตรลักนี้เป็นสิ่งเดียวกันไหมครับคือไตรลักษณ์นี้มันอยู่ในส่วนขององค์ประกอบคือปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโป ค, คือความเห็น ความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องถ้าเราเห็นตายรักเราเห็นร่างกายเป็นตายรักถ้าเราคิดว่าร่างกายเป็นตายรักอย่ันนี้ก็เรียกว่าปัญญา ม, มันก็อยู่ในมันก็อยู่ในมรรคแปดแต่ไม่ได้เป็นมรรคแปดทั้งทั้งแปดองค์มันเป็นมั น, ม, น, ม, นมันส่วนที่เรียกว่าปัญญาสมาธิติงกับสมาสังกโปคุณปราณีครับเวลานั่งสมาธิเมื่อหลับตาผิดเป็นสมาธิแล้ว เหมือนมีความสว่างบางที่กําลังหลับตาเป็นเพราะอะไรครับไม่ต้องรู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันอย่าไปสนใจแสดงว่าจิตยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสง บ, บเต็มที่แล้วมันจะไม่มีความสว่างมันจะเฉยเฉยมันจะว่าคุณเจ๊ฮียงครับดิฉันพิการเจ้าค่ะบางทีทําอะไรก็รู้สึกท้อไปหมด จะทำยังไงให้ใจเราเป็นสุขเวลานอนก็ท่องแต่พุโทโธเพื่อจะให้หลับชีวิตเรายังมีคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะแยะคิดแบบนี้ใจก็จะเป็นบวกครับก็ถูกนะก็คิดว่าทุกคนไม่ว่าเราหรือเขาเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งเองเพียงแต่ว่าเวลาของเรามันมาก่อนเขากเท่านั้นเองต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเราไม่มีใครยกเว้นได้ถ้าไม่อยากจะเจอปัญหาเหล่านี้ก็อย่ามาเกิด ถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองคุณแม้คารับบอกว่าจะฝึกลูกอายุสิบขวบให้มีสติและฝึกสมาธิอย่างไรอยู่ดุโลกเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ตามพ่อสวดมนต์ก่อนนอนกับแม่จัดพัฒนาส ต, ติต่อไปอย่างไรน้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักตองควรพระ อ, อาจารย์พูดอังกิชน้องฟังอยู่ด้วยนะครับเราก็สอนเลยว่าเวลาบน Whatever you do, be careful with what you do. Watch what you're doing. Every movement of your body. When you're walking, watch what your watch your body walking. When you're sitting, standing, when you're eating, pay attention to what you do. This is the way to develop mindfulness. Sati. u n p ถ้าเราดูแลพ่อแม่โดยเป็นตัวหลักเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆคนเดียวทั้งๆที่มีพี่น้องหลายคนจนตัวเราต้องมีหนี้สินล้นค้นตัวแบบนี้เราได้บุญไหมครับง่าย ไ, ได้บุญง่ายิ่งยิ่งเราเสียสะละมากเท่าไหร่เราก็จะได้บุญมากขึ้นไปเท่านั้นคุณวันนี้ครับทําอย่างไรให้จิตใจสงบนิ่งมีสติ บางครั้งนั่งสมาธิแล้วคิดฟุ้งร้างตลอดวอกแวกคิดเรื่องอดีตตลอดบางครั้งดึงสติได้อย่างนี้ได้บุญบ้างหรือเปล่าครับต้องแก้อย่างไรให้จิตวางปล่อยวางครับต้องมันเจริกสติมาให้มากๆก่อนที่จะมานั่งพระเจ้าสอนให้เราเจงรักสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็เริ่มบริกรรมพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรก็เฝ้าดูมันไปกําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งก็ดูมันไปอย่าไปที่อื่นอย่าไปเคลื่อนเริ่อมอื่นถ้าเราควบคุมบังคับให้มันอยู่กับร่างกายได้แล้ว อ, อยู่กับคําบริกีรำพุโทโธได้เวลานั่งสมาธิใจจะไม่ฟุ้งซ่านใจจะสงบได้อย่างง่ายดายคุณคิดที่ครับ ถ้าเราดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายจะได้บุญหรือบาปครับได้ถ้าเราไม่ได้เป็นถ้าเร า, เราไม่ได้เป็นลูกจ้างถ้าเราดูแลเขาแล้วเขาจ่ายเงินให้เราเราก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าเราดูแลเขาโดยที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนเราก็ได้บุญคุณใบหยกครับ ลูกนั่งสมาธิแล้วจิตไปเห็นพระรูปหนึ่งนั่งอยู่เหมือนหน้าผาแต่เป็นโขดหินยาวทั้งด้านบนและบริเวณที่องค์นั้นนั่งแต่ดึงจิตมากํำกับลมเปเจ้าค่ะให้สงบจิตรู้ลมเฉยๆทำสอนอาจารย์เดินสติขึ้นก็ <c oughs> ไม่มีคำตอบอะไรเลยคุณสิงโตครับ ผมยังปฏิบัติทุกวันเหมือนเดิมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนกับผมขอโอกาสขอความเมตตาพระอาจารย์ให้พรกับผมหน่อยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคำถามจากคุณสุนีครั บ, รบเวลามีความทุกนึกแต่ว่ามันไม่เพียงทำใจให้มีแต่ความสุขอย่างคิดถูกไหมครับ ก็ยอมรับความจริงว่าไม่มีแรงเที่ยงแท้แน่นอนปล่อยให้อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์คุณพิตตี้ครับการลาบสังโยชนสัากญาติทิฏฐิคือต้องรับขันหน้าได้ใช่ไหมครับ ก, ก็สักก็สักญาตทิฏฐิก็คือเกี่ยวกับขันหน้าไง เราไปยึดไปเตว่าขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราเราต้องเห็นว่าเขาเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นธาตุสี่เป็นธาตุห้าธานร่างกายก็ธาตุดินน้ำลมไฟจิตใจก็เคยธาตุรู้มันเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศแต่เราไปเราไปเหมาว่าดินฟ้าอากาศเป็นเราเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่สามารถควบคุมบังคับดินฟ้าอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ จิตคืออะไรคำถามที่สองจิตก็คือธานรู้นี่ไงที่มาที่มามาเชื่อมต่อกับร่างกายจิตคือธานรู้ที่มีขันศีลคือเวทนาสัญญาสังขารมิญญาร่างกายคือรูปประขันเมื่อมาเชื่อมต่อกันก็เกิดขันห้าขึ้นมาคุณสันนี่ครับพระอนาคามีต้องละอรูป ปราแสดงว่าระดับพระอนาคามีท่านจะต้องมีสมาธิระดับอรูปฌานใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าท่านเข้าถึงสมาธิในระดับไหนบางท่านอาจจะเข้าแค่รูปฌานท่านก็ละแค่รูปฌานท่านก็ไม่มีอรูปปราครรูปที่เข้าอรูปฌานได้ท่านก็จะมีอรูปราคะก็แล้วแต่ว่าช่วงที่ท่านฝึกสมาธิท่านได้สมาธิในระดับ บางท่านก็ได้รูปปัจจานบางท่านก็ได้อรูปปัจจานสูงขึ้นไปคําถามจากคุณบิวโบครับทางสายกลางต้องรับผิดชอบครอบครัวแต่ก็อยากจะหลุดพ้นด้วยขอขอ้ขอธรรมะพระอาจารย์ครับก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเท่าที่เราจะทําได้เราไม่ได้ดูแลครอบครัวตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เลย เราคนจะหม่เวลามาให้กับการทำมูลทำฐานมากเช่นตอนเช้าใส่บาททำอะไรใส่บาตรแล้วก็รักษาศีลห้าไปแล้วเมื่อเวลาว่างก็เจริญสตินั่งสมาธิไปไม่ได้มาเขาเราจะต้องทำทั้งวันทั้งคืนเวลาที่เราว่างจากภารกิจทางอื่นล้วก็มาทำทางภารกิจทางใจเราได้คุณไลโคพีนครับ ในสมัยพุทธกาลมีพระอาหารหันต์ที่ท่านทรงอภิญยาหกตามผมเข้าใจท่านอาจจ ะ, ะแสดงฤิ์ได้มีหูทิพย์่านใจผู้อื่นไดน้มีตาทิพย์และทาอสุวะพยาญาติไม่เกิดท่านเหล่านั้นมีข้อเสียอะไรไหมครับคืออภิญยานี้มันไม่มีความเสียหายใตรงไห น, นเพียงแต่ว่ามันไม่ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นนี่อภิ ญ, ญาไม่สามารถทาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ใ น, นช่วงที่เรายัางปฏิบัติเพื่อให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับเรื่องของเพีญรามันก็จะทําให้เราเสียเวลาเหมือนคํำนิสิณนักศึกษาที่ชอบไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนที่จะเข้าห้องเรียนก็ไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนกันก็เลยทําให้ไม่ได้ไม่มีเวลาเรียนพอเวลาสอบก็อาจจะสอบไม่ได้ฉะนั้นให้มองให้เห็นว่าเพีญรานี้เป็นเหมือนกิ จ, ก, จกรรมนอกนอกหลักสูตร ที่เราไม่จําเป็นจะต้องเรียนเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ดันั้นถ้าเรามีความสามารถจะได้อภิญญานี้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันให้เราเอาเวลามาจเจริญอัปปนาสมาธิให้มากๆให้เกิดอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้ไปเจริญวิปัสสนาเพื่อละสังโยชน์ทั้งหมดให้ได้ก่อนเมื่อเราเรามรูุมรรคผลวิภานสำเร็จแล้วทีนี้เราสามารถใช้อภิญญานี้มาทําประโยชน์เช่นพระพุทธเจ้า ก, ก็ใช้อภิญยา ในการแสดงธรรมต่อเทวดาได้ติดต่อกับเทวดาได้คุณรังสรครับขนมที่อยู่ในซองหากนำไปประเคนทั้งซองพระฉันได้ไหมครับหรือต้องตัดออกครับอ๋อนี่ไม่มีข้อจ ำ, จ ำ, จำกัดว่าจะต้องเอาออกหรือไม่ อ, ออกแล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสม เอาออกก็ได้ไม่เอา อ, อกก็ได้ผ้าท่านมีมือถ้านนันถ้ากินท่านก็สามารถแกะมันออกเองก็ได้เดี๋ยวหาคำถามแป๊บนะครับอาจารย์ครับมีคนคอมเมนต์เรื่องเสียงตอนแรกว่าไม่ชัดตอนนี้บอกว่าชาัดเยอะครับอาจารย์ครับเราแก้ปัญหาแล้วนะครับคุณแพทครับ จับเรียนถามจัดทาใจไม่ให้อยากหรือไม่อยากในเรื่อง ต, งต่างๆได้อย่างไรครับก็มันมีสองอย่างสองอย่างที่จะช่วยทําให้เราไม่อยากเบื้องต้นก็คือทําใจให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ช่วงที่ใจสงบใจก็จะไม่อยากได้ อ, อะไรเพราะมีความสุขจากความสงบระดับที่สองก็คือจะทําทให้ไม่อยากก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันทําให้เราทุกข์ ฉันอยากจะมีสามีเป็นอยากมีภรรยาอย่างนี้พอได้มารั้เดี๋เราต้องไปทุกข์กับเขาถ้าอยากจะได้ลูกก็จะไปทุกข์กับลูกเองถ้าไม่มีลูกก็จะไม่มีความทุกข์กับลูกถ้าไม่มีสามีก็จะไม่มีความทุกข์ ก, ก, ก, กับสามีให้คิดแบบนี้คิดว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์คุณวรรณรัตน์ครับถ้าคนติดการทำดีแล้วคิดว่าเราดีอย่างนี้เป็นมานะไหมครับ ถ้ามันเป็นความจริงก็ไม่ไม่ไม่เป็นมานะความดีมันก็เป็นความดีเช่เราทำบุญทำทานมันก็เป็นความดีถ้าเราติดการทำความดีก็ไม่เสียหายตรงไหนการทำความดีไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่เป็นมานะการมานะคือการถือว่าเราสูงกว่าเขาเช่นเขาเป็นคนรับใช้เราเราเป็นเจ้านายเขาอย่างเงี้ยอันนี้เราเป็นมานะ ทำบุญใส่บาตรแล้วไม่ได้กวดน้ําผู้ร่วมรับจะได้บุญไหมครับอาจารย์ต้องอุทิศบุญทาบุญแล้วต้องอุทิศบุญถ้าทำมาแล้วไม่อุทิศก็ไม่ได้แต่ไม่ต้องใช้น้ําอุทิศให้เป็นเราเลึกภายในใจว่าเขาอุทิศบุญอันนี้ให้กับผู้ที่รุ่งลับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้เขาก็จะได้รับคุณเปิ้ลครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณใน ถ้านี้เราต้องพิดกันมิญญานี้ลองเป็นงแต่รู้ว่าเขาเป็นตัวที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพระมาจากร่างกายนั่นเองมาจากตาหูจมูกม้นกายเพื่อส่งมาที่ใจเป็นเหมือนกระแสที่เราใช้ติดต่อกระแสวิทยุที่เราใช้ติดต่อโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเนี่ยมือถือสองเครื่องจะติดต่อกันได้ต้องมีกระแสวิทยุที่เชื่อมต่อกันใจกับร่างกายก็เหมือนกับ โทรศัพท์ ม, มือถือสองเครื่องการที่ใจจะรับรูปเสียงกกิฑ์ลดผลต่าพมาจากตาหูจมูกนิ้นกายได้ต้องมีวิญญาณไปเป็นผู้รับมาคุณวิภาวดีครับรคุณแอปเปิลครับการนั่งสมาธิทำให้มีพลังอย่างไรครับเมื่อกี้นี่มัน เมัอคําถามมันรูวิมาไดสัญญาเมืนกับคาถามมันอันนี้คําถามในปิดตอบครับอาจารย์ก็บอกว่าการนั่งสมาธิทําให้มีพลังอย่างไรครับอ่อได้เวลานั่งสมาธิจิตสงบใจก็จะมีพลังพลังหยุดหยุดกิเลส น, นั่นเองใจจะนิ่งใจจะมั่นคงมือนกับชินเวลาไม่มีสมาธินี่ใจจะอ่อนปวกเปียก เวลาอะไรมากระทบใจก็จะอ่อนไหวจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลานั่งสมาธิในี้ใจจะนิ่งสงบเป็นเหมือนก้อนหินเวลามีอะไรมากระทบใจใจก็จะไม่อ่อนไหวจะไม่มีอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาพระอาจารย์คิดอย่างไรกับทางวิทศาสตร์ที่เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของสมองมนุษย์ที่จะต้องคิดตลอดเวลาครับ ก็เป็นเรื่องของเขาเขาคิดอย่างนั้นก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดก็แล้วกันคุณประมูลครับถวายขันข้าว ใ, ให้พ่อให้แม่ผู้ล่วงลับไปแล้วพ่อแม่จะได้รับไหมครับการถวายต้องไปถวายให้กับพระไม่ใช่ถวายให้คนตายเช่นไปเช็งแม่งอย่างี้แล้วก็เอาข้าวไปกองไว้ที่หน้า ถ้าหลุมศพนี้คนตายไม่ได้รับอะไรถ้าอยากให้คนตายได้รับบุญกุศลก็อเอาเข้าวของนี้ไปทําบุญทําทานแล้วก็อุทิศบุญที่ได้จากการทําบุญทําทานให้กับผู้ที่น้องรับไปแล้วคุณคิกเกอร์ครับถ้าสมมุติเราเตรียมอาหารใส่บาตรแค่ก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวแต่อยากอุทิศบุญให้ญาติหลายๆคนด้วยอาหารที่เราใส่บาตรนั้นน้อยบุญจะทั่วถึงญาติหลายๆคนที่เราอยากอุทิศให้หรือไม่ครับ ถึงมันเถึงนะแต่วันต้องแบ่งกันกินเนี่ยเขา้าใจไหมคนสิคนก็ต้องมาแบ่งกับผวดเดียวถุงเดียวถ้าอยากจะให้คนสิบคนได้กินเยอะๆเราก็ต้องทำไปทักสิบถุงเลยส่งไปสักสิบถุงเขาก็จะได้รับทั้งสิบคนถ้าเรามีถุงเดียวก็เท่าเท่าคนเดียวเท่านั้นเลือกคนไหนคนที่เราเห็นว่าสําคัญที่สุดก็ให้คนนั้นเข้าไปคําถามในติ๊กต็อกครับอาจารย์ การนอกกายนอกใจบาปไหมครับเวรกรรมมีจริงไหมครับจากคนที่โดนกระทําครับคนที่ประพฤติเป็นประเภณนี้เป็นคนรับผลบาปที่เขาทําในคนที่ถูกกระทานี้ไม่ได้รับผลบาปแต่ว่าเป็นการรับนับกรรมเก่าที่เคยทํามาชาติก่อนอาจจะเคยไปนอกใจมาก่อนชาตินี้แล้วก็ถูกเขามาเอาคืนไปถูกเขาลามแค้นไป คุณสิริชัยครับช่วงเจริญอสุภะความอยากในกามลดลงมากอากแต่ยังเป็นคารวาะอยู่ก็ต้องมีเศษบ้างควรวางใจอย่างไรดีครับก็เหมือนกับว่าเรายังขับรถอยู่ใต้ทางด่วนนั่นเองเรายังไม่ได้ขึ้นทาง ด, วด่วนงั้นการที่จะไปถึงมากผลนิพพานมันก็จะต้องช้ากว่าคนที่ขึ้นอยู่บนทางด่วนแล้วคนที่ออกบวชแล้วไม่เศษกามแล้วเขาก็จะไปถึงมากผลนิพพานเร็วกว่า คนที่ยังเป็นคารวาที่ยังต้องเศษกรรมอยู่บ้างแต่คุณสุดนีครับฝึกสมาธิได้ไม่นานแต่ฝึกสติแทนสมาธิได้ได้เื้องต้นก็ต้องฝึกสติก่อนแล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิถ้าไม่มีสติถึงแ่้จะมมีเวลาว่างนั่งสมาธินั่งทาลายมันก็จะไม่สมบดงั้นการฝึกสตินี้สาคัญ การเป็นจะต้องฝึกให้มีสติก่อนถึงจะนั่งสมาธิถึงจะได้ผลคุณพรพันธ์ครับอยู่กับคนไม่ได้จะมีอาการเพลียมากมีอาการคนกําลังจะตายเห็นกายนอนหงายอยู่เห็นความกลัวตายเกิดขึ้นพอหลับตาเห็นพระนั่งล้อมรอบเจดีพอลืมตาไม่เห็นพอหลับตาเห็นอีกแล้วพอหันกลับมาดูที่ใจความกลัวตายหายไป เห็นความสุขเกิดขึ้นที่กางหน้าอกดูลงไปความสุขดูลงไปความสุขจนหลับไปพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาการเสียหายไปหลายวันมากจพ อ, อ ก, กลับมาอยู่บ้านก็เป็นอีกเวลาออกไปสถานที่ที่มีคน เ, ย, เยอะๆควรจะไขยอย่างไรครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันวนะ่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดก็วิธีปฏิบัติก็คืออย่าไปแก้ไขอะไรรู้ตามความเป็นจริง มันจะเป็นอย่างนี้ก็ปมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอย่าไปทุกข์กับมันเนั้นเองคุณนิชาครับการที่เราทราบว่าสามีเรานอกใจแต่เรายังคงเฉยที่ทุกแต่พยายามให้อภัยกันคู่เป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับถ้าให้อภัยเขาได้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องถ้าใจเราไม่ทุกข์กับการเนอกใจของเขาเราก็สบายใจ อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องการให้อาภัยนี้เพื่อทำให้ใจเราสบายไม่ทุกข์กับเขาปากเรียนถามว่าพระแม่กวนอิมมีจริงไหมครับเราไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้มาจึงไม่สามารถตอบคาถามนี้ได้ต้องขออาภัยด้วยคุณต้นเตรียมจากติ k t ต k อกครับเราอุทิศบุญไปแล้ว ถ้าคนที่เราอุทิ thae ไม่ได้อยู่ในภูมิเปรตเขาจะได้รับบุญนะครับไม่ได้แล้วผู้ที่จะรับบุญได้ก็คือพวกเปรตนี้เท่านั้นเองพวกอื่นถ้าเป็นเทวดาก็มีบุญบุญมากเป็นเศรษฐีบุญไม่ต้องมาขอบุญจากผู้อื่นถ้าเป็นถ้าไ ป, ไปเป็นนักสุลกายหรือไปตกลงล้งนี่ก็ก็ไม่มีไม่สามารถที่จะมารับได้เพราะจิตใจมันถูกความกลัวหรือความทุกข์ต่ตางๆบีบดขั้นจิตใจ ถ้าไปเกิดเป็นสัตด์ในราชาก็ไปหากินเองได้ก็มีพวกเป็ดนี้พวกเดียวนะที่จะมารอรับส่วนบุญคุณหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับผมใส่บาตรเช้าแล้วลูกศิษย์หยิบถุงถวายแล้วดอกไม้ตกที่พื้น้วผมถวายหลวงตาใหม่อีกทีหนึ่แล้วผมบาปออไม่บาปหรอกเป็น แต่เป็นการผิดพลาดอาจจะเป็นพังเพลินแล้วเป็นการขาดสติเมื่อเราหยิบขึ้นมาเราถอนใ ห, หม่ก็ก็ไม่เสียหายตรงไหนทําได้คุณเกตครับเอาข้าวให้นกที่ราบหน้าบ้านทุกวันพอจะมีอนุสงอุคคลให้ผู้ล่วงรับได้ไหมครับได้ก็ได้ตามบมุญที่เราให้นะให้มากก็มีได้บุญมากให้น้อยก็ได้บุญ น, น ลโคปีนครับพระอาหารหันต์ที่ท่านสามารถทําฌานสีได้เรียกว่าท่านว่าเป็นพระอาหารหันต์ประเภทใดครับอ่การที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องเข้าฌานสีได้ทุกคนทุกทุกรูปเป็นสมาธิเป็นขั้นสมาธิขั้นรูปฌ า, านสีเพื่อต้องการจะเอาอุเบกขาจากฌานสีนี้มาใช้กับการเจริญปัญญาเพื่อละสังโยชน์อันนี้ต้องมีในทุกประเภท พราผ้าลัะทุกประเภทต้องร้างสามารถเข้าชาญสีได้คำถามจากติ k กตอกครับอาจารย์สวดมนต์ก่อนนอนบทมหาจาักรพัทและอิติปิโสคสูณสวดบทไหนก่อนหลังครับได้ทั้งนั้นนะ่การสวนดนี้สวดเพื่อทำใจให้มีสติทำใจให้ว่างให้เย็นให้สบาย ส่วนบทนั้แล้วได้ผลดีก็เอาบทนั้นก่อนก็ได้หรือหลังก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกคุณวริพรครับพิจารณาว่าจิตที่เป็นอิสระคือการไม่ยึดติดพระอาจารย์ทั้งบุญที่ทาและทุกข์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่บางครั้งเผลอสติก็กลับไปยึดและก็ทุกข์พอมีสติกับมาก็โล่งใจสมบใจขอทํานแนะนาอาจารย์ คือเราไม่สนใจเรืความจิตในอิสระแล้วไม่มีอิสร ะ, ะสิ่งที่เราสนใจก็คือจิตที่มีทุกข์และไม่ทุกข์เท่านั้นเองเราต้องการทําจิตให้ไม่ทุกข์และการที่จะทําจิตให้ไม่ทุกข์ก็คือต้องไม่มีความอยากไม่มีอุปทานยึดบ้านถือม้านกับสิ่งใดทั้งทั้งสิ้นจากติ๊กต็ครับอาจารย์ครับโสดแต่คุยหลายคนเป็นการเล่นกับความรู้สึกคนไหมครับแล้วควรทําอย่างไรครับบาปไหมครับ ถ้ายังไม่ไปร่วมเพศกันก็ยังไม่บาปถ้าเราไปร่วมเพทกันแลกับคนนั่นคนนี้ก็เทว่าเราบัพลผิดประเพณนดีคุณเปิ้ลครับเวลาทุกพิจารณาอาริยสัจสี่อย่างไรครับเวลาทุกกถามตัวเราว่าเราทุกข์เพราะอะไรอะไรทําให้เราทุกข์ทุกข์มันต้องมีสาเหตุใช่ไหม สาเหตุตามหลักที่แนวรยาศัตรีก็คือความอยากที่ทำให้เราทุกข์แล้วก็ถามว่าตอนนี้เราอยากอะไรหรืออยากใครคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพอก็ไม่เป็นเราก็ทุกข์เราก็ต้องไล่หาสาเหตุว่าเรามีความอยากกับเลือกอะไรเท่านั้นเองถ้าเราเห็นแล้วเราสามารถรับความอยากที่น่าทุกข์ก็จะหายไปคุณปิยพง์ครับ เรียนถามว่าทำอย่างไรให้ใจสะอาดสว่างสงบทุกเวลาครับก็ต้องมีสติปัญญาคอยชำระกิเลสตัณหาทุกเวลานั่นเองคุณเพิ่มศัก์ครับสติอยู่ตรงไหนในอัปปนาสมาธิยังมีสติหรือไม่นิพพานแล้วตอบสตินี้ไม่เป็นคุณนะครับ คุณสมบัติหรือความสามารถของจิตยอย่างหนึ่งอยู่ในจิตแตม่มีน้อยมีมากอยู่ที่ว่าเราจะเจริญนหรือไม่จเจริญมันถ้าเราจเจริญมากก็จะมีสติมากมีจเจริญ น, น้อยก็จะมีสติน้อยความสามารถของสติก็คือสามารถควบคุมความคิดให้หยุดคิดหรือไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีได้นนี้คือสตินะครับมีตลอดเวลา จะไม่มีสติก็ช่วตอนเวลานอนหลับเท่า น, นั้นเองเป็นเวลาที่ไม่มีสตินอกจากนั่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะมีสติจะมีมากหรือมีน้อยเท่า น, น, นั้นเองนิพพานแล้วไปไหนต่อนิพพานแล้วก็ไม่ไปไหนต่อนิพพานก็ก็อยู่ในโลกทิพย์ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปเป็นอะไรต่อไปในติ๊กต็อครับอาจารย์บุญคืออะไรครับ แะกุศลกับบุญไี่เหมือนกั น, นครับบุญแปลว่าความสุขใจอิ่งใจที่เกิดจากการทําความดีต่างๆเรียกว่าบุญส่วนกุศลก็คือความฉลาดความฉลาดคือความรู้ผิดถูกดีชั่วรู้เหตุรู้ผลนี่เรียกว่ากุศลผูที่มีกุศลก็จะรู้ว่าควรจะทําบุญไม่ควรจะทําบาปเพราะรู้ว่าการทําบุญจะนําความสุขมาให้กับใจการทําบาปจะนําความทุกข์มาให้กับใจ ผู้มีกสศลก็จะไม่คิดจะทำบาปคิดแต่จะทำบุญอย่างเดียวคุณตอนครับพระอาจารย์ครับขอรบควรถามก่อนจิตจะเข้าลึกๆติดมันกระแทกเราควรแก้ยังไงครับเมื่อก่อนผมได้พุโทโธตลอดเดี๋ยวนี้มันเสื่อมไปติดมันกระแทกครับไม่เข้าใจว่ามันกระแทกกับอะไร เวลาเราภาวนาเราไม่ต้องไปดูจิตให้เราดูอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมจิตถ้าอยู่กับพุธมีพุธโธใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไม่ต้องไปสนใจว่าจิตจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าดูลมก็ให้ดูลมไปอย่าไปดูจิตตอนที่เราทําสม่าที่นี้ไมอย่าไปดูจิตให้ดูดูดูอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมจิตคือ อนาปนาสติก็ดูลมพุทธานุสติก็อยู่ที่คำบริกรรมพุโทโธไปคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณตัทธตาครับบอกว่ายุคของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อยู่ถึงห้า0ันปีจริงไหมครับคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถนำให้จิตดุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้นก็จะมีสมัตภาพอยู่ประมาณ5้าพันปี คือหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีใครที่จะรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง<ม>ที่จะเอามาปฏิบัติและให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระอาจารย์ครับครบเวลาสามตรงเครื่งพอดีครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับผมวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซแปดร้อยสาสิบเก้าคนนะครับในยูห้าร้อยเ็ในคับเจ็ดครั บ, รบใน ตอสามรอยสามิบสี่รวมหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดก็ขอเช่นชมยินดีกับทุกานที่คขามานร่วมามใจก็หวังว่านาเอาไปหวังว่าจะได้นำเอาอไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไปการสนาทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์นขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพลงท่านี้กับลาอาจารย์ครับติดขัดทนะี่ไหนนะครับหมอครับขราอาสารย์ขออภัยด้วยเขาพอดีอยู่ข้างนอกครับผม